เราถือว่าอันนี้คือการไหวพระพระอยู่ในตัวเราว่างั้นเราเราเข้าในตัวเราแล้วกานไหวตัวเราเราก็จะถูกพระทุกองค์แต่ถ้าหากไหวตัวเรายังไม่ถูกถึงไหวพระทุกวันก็ยังไม่ถูกพระเราให้นิยามแบบนี้นะเขาก็จะเออจีด้วยลักษณะที่ที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เขาเข้าใจได้ถ้าจู่ๆไปบอกอา้าวทุกคนสร้างอย่างแบบนี้เขาจะว่าเราเพี้ยนได้ คือหมายควว่าถ้าหาเหตุผลประกอบอะไรให้มันมั น, ม, นมันสมสมสถานการณ์เนะีเหมาะกับสถานการณ์การ น, นําเสนอสิ่งที่ดีนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ปัญญาพอสมควรแต่ถ้าหากว่าท่านนาเสนอสิ่งที่ดีถ้าไม่ใช้ตรงนั้นสิ่งที่ดีนี่กลายเป็นไปเสียไปเลยนะพระนั่งมาก็เลยบอกครูวิชิตบอกว่า ไปนเสนอได้เหมือแต่ต้องใช้ภาษาให้ถูกนะว่าที่ทําอย่างนี้เพื่อที่จะปลูกพลังในตัวเองให้เกิดขึ้นกันนะที่ทําต่อไปต้องทําแบบนี้นี่ก็สิ่งที่เรายกนี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งมีความหมายแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาขึ้นมาทันทีเขาจะให้ไอความหมายส่วนเขาจะใส่ใจต่อไปเอ๊ะทำไมต้องทําอย่างนี้นะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะอธิบายได้ต่อไปให้เขาสนใจก่อนน่างั้นเด อมุทนาด้วยคนที่จะนําไปใช้เ ข, อขอาอนุญาตส่งกันบ้านท่านพระอาจารย์นิดนึงนะคะโอเคจังหวะ<อ>ที่ยืนสร้างจังหวะนะจ๊ค่ะทําไปทํามาเนี่ยได้จังหวะของลมหายใจด้วยลนะคะ <Okay. S 2> ก็เลยก็เลยใช้วิธีว่าจังหวะที่ยกมือขึ้นเนี่ยจะหายใจเข้ายาวๆแล้วยกมือลงเนี่ยจะหายใจออกคือคือคือเลยไปผูกกับจังหวะของการหายใจด้วยพอพอลองทํดนะาดูณขณะนั้น รู้สึกได้ว่าจังหวะที่เราวางมือลงเนี่ยฮะเลือดวิ่งไปถึงปลายนิว้วแล้วก็วก็รู้สึกดีฮะรู้สึกรู้สึกเพลินแล้วก็ไม่ติดที่เพลินก็เลยเปลี่ยนท่าใหม่นะเจ้าค่ะอันนี้ก็ส่งกันบ้านเพิ่มเตมิมมาจาย์นิดนึงเจ้าค่ะการบ้านหน่อยนิดนึดนดนดงการบ้านอาเจียนก็ผิดพลาด <c oughs> คือในกรณีเราต้องดู ก, กําลังของเรานะกาลังของเราเนี่ยสามารถรู้ในสภาวะปัจจุบันเนี่ย หกขณะขณะที่เจ็ดคือตัวมันทั้งหมดเรียกว่าเจ็ชวนนะในเจ็ดชวนะเนี่ยถ้าคนไหนมีความสามารถทางอินซีสูงเนี่ยสามารถจะรู้ได้ได้ทุกทุกขณะแต่ถ้าหาคนไหนมีความสามารถทางอินรีอ่อนลงมาถ้ารู้6ขณะเนี่ยมันจะมันจะไม่ชัดก็รู้มาห้าหยังไม่ชัดรู้มาสี่รู้มาสารู้มาสองและรู้มาหนึ่ง ถ้าหนึ่งมันเข้มเกินไปเป็นสองก็ได้ในกรณีของความตั้งใจของอยมชิจิดาเนี่ยถ้าสร้างจะาว่าอย่างเดียวเนี่ยรูออ้สึกว่ามันเข้มไปนะก็เอาลมหายใจมาซิงโครไนซ์ถ้าหากว่าสองอย่างนี้มันต้องชัดเหมือนเหมือนกันนะแต่ชัดไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะแยกจิตเราจะถูกแยกแต่ถ้าว่าถือว่าลมหายใจกับมือเนี่ยเป็นอันเดียวกันโดยที่จิตของเราไม่เพ่งเนี่ย มันก็จะถือว่าเป็นพลังแต่ถ้าหากว่ามันมากเกินเนี่ยมันจะเป็นสมาธิแต่ถ้ า, าว่ามันพอดีมันก็จะเป็นสติเพราะนี้ที่ส่วนใหญ่ที่เขาทําสมาธิกันเนี่ยตั้งใจมากเกินไปมันก็เลยเป็นมิจฉาสมาธิไม่เป็นสมาสมาธิเราจะรู้ว่าเป็นมิจฉาสมาจะอยู่ที่ความพอดีคือไม่ตั้งไม่ตั้งใจมากเกินไปและในขณะเดียวกันก็นกไม่หลวมจนว่าหย่อนหรือไหลลื่นเกินไปกระชับพอดี ตรงนี้ก็คือเราต้องดูกําลังของเราด้วยว่าเราจะยกมือไปด้วยหรือไหายไปใจไปด้วยตรวจสอบให้ชัดหรือบางคนเนี่ยบอกเอ้ผมฟังแล้วเนี่ยเห็นคนยกมือด้วยเนี่ยเขาจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าหรือบางทียกฟังแล้วไม่ยกมือมันจะอินเกินไปหรือเปล่าเนี่ยบางคนฟังไม่ยกมือก็เข้าไปเต็มที่เลย เระฉะนนบางครั้งเนี่ยยกมือไปด้วยฟังไปด้วยมันจะพอดีอันนี้สําหรับบางคนนะนะบางคนยกมือไปด้วยไม่ได้ฟังไปดูเรื่องบางคนฟังอย่างเดียวไม่ได้มันอินเลิกอินไปก็มีการยกมือบนนั้นอันนี้ต้องตรวจสอบขนาดนั้นๆนะแต่ไม่เป็นเสมอไปบางครั้งฟังฟังอย่างเดียวบางครั้งยกมือไปด้วยก็ชัดอันนี้ว่าช่างทำอย่างนั้นอย่างนี้เสมอไปไม่ใช่ในขนาดเดียวกันแต่ว่ายกมือในทางสร้างลมหายใจเสมอไปก็ไม่ใช่เป็นบางครั้งทําได้บางครั้งทําไม่ได้ เพราะจิตของเราไม่พร้อมขนาดนั้นน่ะนะอันนี้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือดูความพอดีด้วยนะอ้าวหูนั่งใกล้ใกล้เเ